สนิมนใจโดยพระนิกปินมุตุกันเรื่องตัวแกมันเกิดมาเสียชาติหนักโลกหนักแผ่นดินกินข้าวสุกเสียเข้าสารเปล่าๆนี่เป็นคำย้อเยอ้ยละคนด้วยความน้อยใจเสียใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และท่านผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่งถ้าโดนใครเขาแล้วสุดจะอับอายตัวเองอยากจะเอาหัวชนฝ่าให้มันตายตายไปเสียรู้แล้วรู้รอดทำไมมันจะไม่อายทำไมจะไม่น้อยใจเราก็คนเดินดินกินข้าวผ่านหัวใจเหมือนกันดีก็รู้ชั่วก็รู้แล้วก็ได้เพียรพยายามทำทุกอย่างที่จะหาดีใส่ตัวเหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลาย แต่ว่าเรามันคนอาภัพวาสนาทําดีไม่ขึ้นทําแล้วก็ไม่ได้ดีน้อยใจนักถูกแล้วมีคนอยู่เป็นอันมากที่เป็นคนอาภัพทําดีไม่ขึ้นยิ่งทําดูเหมือนจะยิ่งสุดยิ่งก้าวดูเหมือนจะยิ่งถอยยิ่งโฆษณาก็ดูเหมือนจะยิ่งมีคนเกลียดเรื่องนี้เป็นความจริง ยิ่งในสมัยนี้สมัยคนจะได้ดีด้วยการหาเสียงและในสมัยเดียวกันนี้คนที่จะให้เสียงเขาก็มีเสรีภาพในการวิจารณ์คนเรื่องนี้ยังเป็นปมปัญหาสาคัญมากทีเดียวท่านผู้อ่านคงจะยังจำได้คนบางคนหมายมั่นปั้นมือยิ่งนักที่จะครองใจประชาชนให้ได้เพื่อความก้าวหน้าของตน แล้วก็ได้พยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าตัวเป็นคนดีน่ารักน่านับถือถึงกับโปรยเงินโปรยทองแจกจ่ายไม่เลือกหน้าก็มีถึงกับอดตาหลับขับตานอนเพื่อไปแสดงตัวที่โน่นที่นี่ก็มีแต่แล้วก็ต้องผิดหวังยิ่งหวานเงินมากเสียงด่ากลับยิ่งหนาหูยิ่งไปปรากฏตัวมาก เสียงกระหานินทายิ่งดังกระชอนมันน่ากลุ้มจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเพราะเขาไม่อยากดีและเพราะขี้เกียจทําความดีหาไม่ได้เรื่องเหล่านี้ไม่มีบกพร่องไม่มีเสียแต่มันเสียอยู่ที่ว่าเขาขาดการปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องการสร้างตัวเองจึงไม่ได้ผลสมความตั้งใจ ยิ่งทำยิ่งหดยิ่งก้าวยิ่งถอยตามที่ว่ามาแล้วเอาล่ะเรามาพิจารณาปัญหาเรื่องนี้กันต่อไปโปรดย้อนเข้ามาดูตัวเราเองนึกถึงตัวเราเองดีกว่าแทนที่จะไปมัวใส่ใจแต่กับคนอื่นนั่งนินทาเขาวันยังค่ำก็ไม่ทำให้ตัวเราเองมีอะไรดีขึ้นสู้ดูตัวเราเองไม่ได้ คนเราคนหนึ่งหนึ่งนี้ครองตัวอยู่คนละสองชั้นคือตัวนอกกับตัวในที่พูดนี้พูดตามภาษาของชาวบ้านเราธรรมดาตามความเข้าใจของชาวบ้านเรานี่เองขอนักประหลาดเมธีทั้งหลายอย่าพึ่งคานประเดี๋ยวจะเห็นว่าผู้เขียนชักจะฟุ้งมากเสียแล้วคนอะไรทั้งสองตัวสามตัวไม่ใช่อย่างนั้นประเดี๋ยวจะว่าให้ฟัง ตัวนอกข้าพเจ้าหมายถึงร่างกายเนื้อตัวที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปตัวอ้วนตัวผอมตัวดำตัวขาวเป็นตัวตัวนี่แหละขอโทษท่านผู้อ่านด้วยที่ข้าพเจ้าใช้คำว่าตัวเพราะต้องพูดอย่างสำนวนพูดแท้เอาคำชาวบ้านพูดกับชาวบ้านไม่ใช่เคียวเขียนเอาคำวัดมายัดเยียดให้ชาวบ้านเข้าใจ ตัวเราเป็นตัวตัวที่มีชื่อเรียกต่างๆกันชื่อในแดงนางดำแม่แฉ่งพ่อปุกอะไรเหล่านี้แหละเป็นตัวนอกทราบกันอยู่ทั่วไปแล้วส่วนตัวในเาพเจ้าหมายถึงความเป็นชื่อตรงกับภาษาธรรมะว่าภาวะหมายถึงความเป็นนั่นเป็นนี่อย่างที่เราเป็นเป็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละ เช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเขยเป็นสะใภ้เป็นผัวเป็นเมียเป็นพระเป็นครว่าเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นผู้แทนเป็นรัฐมนตรีและความเป็นอื่นๆอีกเยอะแยะเชิญนับตัวเองคนเราแต่ละคนนอกจากจะครองตัวนอกอยู่คนละตัวแล้ว ยังครองความเป็นกันอีกมากก็มีน้อยก็มีแต่ว่ามีทุกคนความเป็นนั่นเป็นนี่นี่แหละที่ข้าพเจ้าเรียกว่าตัวในเหตุที่เรียกว่าตัวก็เพราะเมื่อครองเข้าแล้วมันมีผลได้ผลเสียมาถึงตัวเราด้วยมันกระทือนถึงตัวเหมือนกันกับตัวนอกอย่างเช่น เรานั่งอยู่ดีๆมีใครเอาหนามแหลมๆ ม, มาทิ่มสีข้างเราสะดุ้งเจ็บทีนี้ถ้าเราเป็นนายอำเภอนั่งอยู่ดีๆมีคนเขาด่าว่านายอำเภอสติไม่ดีเราก็สะดุ้งเหมือนกันแล้วก็เจ็บเหมือนกันฉะนั้นความเป็นนายอำเภอก็มีค่าเท่ากับเป็นตัวของเราอีกตัวหนึ่งมันอยู่ชั้นใน เลยขอเรียกว่าตัวไหนถ้าจะว่าในทางติดตัวทั้งตัวในตัวนอกมันก็ติดตัวด้วยกันคือทิ้งไม่ลงต่างกันแต่ว่าตัวนอกนั้นใครครองตัวไหนแล้วก็ต้องครองตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็เลิกกันขี้ริ้วหรือสวยงามลงตายแล้วไม่มีความหมาย ส่วนตัวนายเราครองตามกาละปลดได้เปลี่ยนได้แล้วแต่เราแต่ถ้าลงได้ครองแล้วก็เป็นจุดดีจุดเสียที่คนทั้งหลายเขาจะมองสมมติว่านายคนหนึ่งครองความเป็นนายอำเภอถ้าตัวนั่งอยู่ที่บ้านใครเห็นเขาก็ว่าอ้นอนายอำเภออยู่บ้านไปที่ว่าการอำเภอ เสมียนเห็นเข้าเขาก็ว่าอ๋าอแหน่อำเภอมาแล้วแน่ไปหาพระที่วัดพระท่านก็ว่าแม่วันนี้ท่านแหนาอ่อำเภอมาถึงนี่เทือหรือเจริญพรที่ต่างว่าข้าแห น, นาอ่อำเภอไปตกน้ำตกท่าเข้าพวกเด็กๆ เ, เขาก็ว่าดูแน่แหนอ่อำเภอเมาไม่เป็นท่าเลย ถ้าไปดูแลสุขทุกข์ให้รัษดรชาวบ้านก็ให้ศีลให้ปอนดีจริงขอให้แอมเภอจงเจริญเจริญเถิดและถ้าเกิดแอมเภอไปเล่นไม่ซื่อกับราษฎรเขาก็พากันสาบแช่งว่าแอมเภอพันนี้เมื่อไหร่จะตายสักทีก็ไม่รู้ตามตัวอย่างที่ว่านี้แสดงให้เห็นว่าตัวในคือความเป็น มันติดตัวอยู่เรื่อยแล้วก็เป็นที่เพ่งมองตลอดเวลาส่วนตัวนอกที่มีชื่อในดำนางแดงอะไรนั่นไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ลักว่าถึงเรื่องการดูการเห็นตัวนอกกับตัวในเห็นยากง่ายไม่เท่ากันมันเห็นด้วยอวัยวะคนละอย่างตัวนอกเห็นด้วยตาเนื้อถ้าพบแล้วก็เห็น ของที่เห็นด้วยการพบอย่างนี้เราเรียกว่าพบเห็นส่วนตัวในเป็นตัวทิพเราจะเห็นได้ด้วยรู้คือญาณนะคือต้องรู้จึงจะเห็นถ้าไม่รู้ก็ไม่เห็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยความรู้อย่างนี้เราเรียกว่ารู้เห็นรวมความว่าตัวนอกเพียงแต่พบก็เห็น ส่วนตัวในต้องรู้จึงจะเห็นอย่างหนึ่งพบเห็นอีกอย่างรู้เห็นที่พูดมานี้ดูจะยังคลุมเครือที่ว่าเห็นด้วยวรู้ต้องรู้จึงเห็นคืออย่างไรแน่คืออย่างนี้สมมติว่ามีคนคนหนึ่งที่เสีย ว, ว่าเป็นชาวบ้านกลางป่ากลางดงในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนโน่น สิบปีก็ไม่เคยพบหนังสือยี่สิบปีก็ไม่เคยฟังวิทยุสมมติว่าเดิมชื่อในมีอยู่มาในมีแกสมัครเป็นผู้แทนได้ครั้นเข้ามากรุงเทพก็ได้รับตำแหน่งให้เป็นถึงรัฐมนตรีถ้าพนะท่านมีเดินอยู่ในกระทรวงหรือในธรรมเนียบหรือในสภา พวกราชการพอเห็นเข้าก็มองปราดเข้าไปเห็นถึงตัวในของท่านได้เลยคือเห็นความเป็นรัฐมนตรีที่เขาเห็นนั้นเพราะเขารู้มาก่อนแล้วถ้าสมมติว่าพระน้ท่านมีเดินทางกลับไปแม่ห้องสอนไปที่ตำบลบ้านเกิดของท่านเองดูคนเขาไม่รู้ว่าท่านเป็นรัฐมนตรีเขาก็คงเห็นแต่ตามี หรืออย่างดีก็เห็นผู้แทนมีเท่านั้นยิ่งถ้าท่านรัฐมนตรีมีไปเดินอยู่โน่นแถวบ้านป่าขาดงที่ผู้คนเขาไม่เคยเห็นคนบุญหนักสักใหญ่เลยคนร้อยทั้งร้อยก็จะไม่มีใครเห็นความเป็นรัฐมนตรีของท่านเลยที่ไม่เห็นนั้นก็เพราะไม่รู้นั่นเองก็ว่าแล้วว่าถ้าไม่รู้ก็ไม่เห็นตัวท่านนอะ เป็นละครองความเป็นไว้เต็มตัวทีเดียวแต่คนที่ไม่รู้เขาก็ไม่เห็นต่อไปอีกหน่อยท่านผู้อ่านยังจำอำมตะนิยายาเรื่องการมนิทได้ไม่ใช่หรือนั่นก็ตัวอย่างอีกชิ้นหนึ่งที่ว่าไม่รู้ไม่เห็นคืออย่างไรเข้าเรื่องนั้นว่าการมณิตหนุ่มน้อยคนหนึ่ง ได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างแรงในปัญหาการคลองรักเขาหนีออกจากบ้านรอนแรมไปสอดสแสวงหาพระพุทธเจ้าเผื่อว่าเมื่อได้เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะช่วยคลายความทุกข์ใจให้ตนได้บ้างค่าคืนวันหนึ่งกามนิศได้แวะเข้าไปขออาศัยอยู่ที่โรงปั้นหม้อของช่างหม้อ จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความกระวนกระวายด้วยความอยากเฝ้าพระพุทธองค์แต่แล้วเป็นการบังเอิญคืนวันเดียวกันนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาทางนั้นโดยลําพังพระองค์และได้เสด็จแวะเข้าไปขอพักแรมที่โรงนายช่างหม้อ น, นั้นด้วยฝ่ายการานิชเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาพักร่วมสถานที่กับตนก็ขยับเข้าไปนั่งสนทนาด้วย เขารู้แต่ว่าคู่สนทนาของเขาเป็นสมณรูปหนึ่งเท่านั้นเขาพร่ำเล่าให้สมณรูปนั้นฟังอย่างซ้ำซ้ำซากซากเกือบตลอดคืนว่าตัวเขาเองมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าโดยหารู้ไม่ว่าสมณผู้ที่สนทนาอยู่ด้วยนั่นเองคือองค์พระพุทธเจ้าครั้งรุ่งเช้า กามนิทก็นมัส ก, การลาพระพุทธเจ้าโดยกราบทูนแด่พระองค์ว่าตัวเขาเองจะต้องรีบเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้ครั้นออกเดินทางไปยังไม่ทันกระไรก็ถูกโคดุวิ่งสวนทางมาประทะร่างของกามนิตล้มลงขาดใจตายนี่แหละด๋อเพราะไม่รู้จึงไม่เห็นพระพุทธองค์ไม่ใช่คนสามัญธรรมดา ทรงครองความเป็นอันยิ่งใหญ่คือความเป็นพระพุทธเจ้าถึงอย่างนั้นการมนิตย์ยังมองไม่เห็นที่เขาไม่เห็นก็เพราะไม่รู้ดังกล่าวแล้วตัวอย่างสดๆก็มีไหนๆได้เล่าแล้วก็เลยเล่าสู่กันฟังเสียให้พอเมื่อประมาณ 6-7 ถึงปีล่วงแล้วนี่เองมีท่านแม่ทัพผู้หนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นพิเศษในทางตรวจราชการท่านตรวจซอกแซกจนกระทั่งในลิ้นชักโตและแม้แต่ในซ่วมของทหารและกำหนดการตรวจก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยยากที่พวกเราจะเดาถูกครั้นอยู่มาคราวหนึ่งท่านแจ้งไปให้หน่วยที่อยู่ต่างจังหวัดทราบว่าท่านกำหนดจะเดินทางไปถึงหน่วยนั้นในวันที่เท่านั้น แต่ครั้นแจ้งหมายกำหนดการไปแล้วท่านจะเกิดอย่างไรขึ้นก็ไม่ทราบแต่ข้าพเจ้าทราบเป็นความในจากท่านว่าท่านตรวจตามหมายกำหนดการมามากแล้วอยากจะตรวจดูการเตรียมการเสียบ้างจะได้รู้ว่าการเตรียมการรับรองแม่ทัพนั้นทางหน่วยจะปฏิบัติการอย่างไรบ้างตกลงว่าท่านเดินทางไปถึงล่วงหน้าหนึ่งวัน คือไปถึงเอาวันสุกดิบแทนที่จะไปถึงวันงานที่สถานีไม่มีใครมารับเลยท่านเองใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นลงจากรถไฟแล้วก็จับสามล้อไปที่ค่ายทหารไม่มีใครสังเกตได้ไปจนกระทั่งถึงเรือนรับรองครั้นขึ้นไปบนเรือนก็เห็นพวกพลทหารกำลังชุลมูนวุ่นวายอยู่กับการทำความสะอาดบ้าน บางล้างบ้างถูบางกะบ่นไปตามเรื่องไม่มีใครรู้ว่าชายแก่แปลกหน้าที่ขึ้นมายืนดูพวกเขาทำงานอยู่นั้นคือใครพรนท่านแม่ทัพถามว่าทำอะไรกันก็ได้รับคำตอบซึ่งยากนักยากหนาที่คนที่เป็นชั้นแม่ทัพแล้วจะได้ยินทหารคนหนึ่งตอบว่าแม่ทัพแกจะมาเว้ย ล้างบ้านไว้รับแก่หน่อยและมีคนอื่นๆพูดจาคำสดุ ด, ดีทำนองนี้อีกหลายคำดีๆทั้งนั้นดูเถอะทำไมแม่ทัพทั้งคนก็ไม่มีใครมองเห็นนี่ก็เรื่องไม่รู้จึงไม่เห็นเหมือนกันตัวอย่างสดๆร้อนๆก็ยังมีเมื่อราวเดือนมีนาคม2 5 0พหนึ่ง คือเมื่อสองถึงสี่เดือนก่อนที่ข้าพเจ้าจะเขียนเรื่องนี้พะนะท่านนายกรัฐมนตรีพจเอกถนอมกิติขจรเดินทางไปตรวจราชการภาคอีสานตอนนั้นท่านเพิ่งเข้ารับตำแหน่งนายกใหม่ๆรูปภาพของท่านในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ยังไม่แพร่หลายประกอบวิธีเดินทางไปตรวจราชการของท่านก็ไม่สำแบบนายกเก่าเสียด้วย ผิดกันไปคนละชนิดเลยสมัยก่อนนายกไปตรวจราชการใช้แบบโชว์ตัวเต็มที่เวลาเดินทางโดยรถยนต์ก็จัดเป็นรูปขบวนคล้ายๆกับขบวนเสด็จมีรถตรวจการออกหน้าถัดมาเป็นรถตำรวจคุ้มกันแล้วก็รถท่านตามหลังโดยรถของเสนาข้าราชการยาวเหยียด แล้วตัวท่านเองก็แต่งตัวหรูที่สุดนั่งรถคันที่ราคาแพงที่สุดสีสวยที่สุดเวลาลงจากรถก็มีแถวนักเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยต้อนรับเป็นเกียรติเมื่อลงจากรถแล้วท่านก็เดินอย่างสง่าผ่าเผยเด็กๆเห็นก็รู้ผู้นั้นคือนายกแต่มาถึงนายกถนอมบ้างท่านไม่เอาอย่างนั้น ขวบรถจิบเก่าๆปุ่เลงปุเล ง, ปเลงไปตรวจราชการควบนำหน้าไปเลยใครจะตามมาหรือไม่ตามมาไม่สนใจดูภาพในเครื่องรับโทรภาพก็เห็นท่านใส่เสื้อเชิ้ตขาวแขนสั้นแล้วก็ใส่หมวกสักราชดูเหมือนจะไม่ใช่ใหม่ทีเดียวนักทำเอาคนเขารักไปตามๆกันทีเดียวเมื่อก่อนท่านผู้ใหญ่ตรวจราชการ ท่านใช้วิธีนี้ทำตัวท่านให้ราชดรรู้จักแต่ท่านนายกถนอมกลับใช้วิธีทำตัวท่านให้รู้จักราษดรมันคนละแบบกันจากการไปตรวจราชการของท่านในครั้งนั้นหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงบทความเป็นทำนองเพื่องหลังข่าวมีเรื่องขำขำคือท่านนายกไปถึงไหนก็ไม่ค่อยมีคนรู้จัก บางทีท่านไปถึงแล้วยังถูกถามว่ารถท่านนายกเมื่อไหร่จะมาและมีอยู่ตอนหนึ่งที่ช่างภาพหนังสือพิมพ์เกิดห้าแต้มคือเสียหน้าตามเรื่องนั้นว่าช่างภาพผู้นั้นสะพายกล้องไปคอยดักถ่ายภาพท่านนายกที่ตําบลระหว่างทางผ่านพอเห็นรถจิบเก่าๆคันหนึ่งขึบมา เขาก็โบกมือให้ชะลอความเร็วลงแล้วถามคนในรถว่ารถนายกออกเดินทางมาหรือยังชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่ในรถตอบอย่างสุภาพแกรมยิ้มนิ ด, นดว่าเอคุณคอยถามรถคันหลังดูก็แล้วกันว่าแล้วก็ออกรถไปครั้นมีรถคันหลังมาช่างภาพก็เข้าไปถามอีกคนในรถคันหลังก็ตอบว่า รถท่านนายกล่วงหน้าไปแล้วช่างภาพก็บอกว่าเขาเมาคอยอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วเห็นรถจิปผ่านไปคันเดียวฝ่ายคนในรถก็บอกว่ารถคันนั้นแหละเป็นรถที่ท่านนายกนั่งไปช่างภาพก็แย้งยืนยันว่าเขาได้คุยกับคนในรถนั้นด้วยตนเองไม่มีนายกอยู่ในรถคันนั้นแน่แต่ครั้นซักไปซักมาอยู่ครู่หนึ่ง จึงรู้ว่าช่างภาพเกิดห้าแต้มเข้าแล้วคนที่เขาเห็นนั่งอยู่ในรถคันหน้าและพูดจากับเขานั่นแหละคือนายกรัฐมนตรีนี่ข้าพระเจ้าว่าตามเขาว่าถ้าจริงประการใดขอยกให้กับหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นนี่ก็แสดงว่านายช่างภาพผู้น่าสงสารนั้นได้เห็นแต่ตัวนอกไม่ได้เห็นตัวนายของท่านนายกรัฐมนตรี ที่ไม่เห็นก็เพราะไม่รู้ก็อย่างที่ข้าพเจ้าว่าแล้วตัวในนั้นใครไม่รู้ก็ไม่เห็น